อนาปฏิวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ906หนึ่งภิกษุณีนุ่งหม่มจีวรที่เจ้าของให้หรือภิกษุณีนุ่งหรือห่มจีวร น, นั้นโดยบอกเจ้าของก่อน2อภิกษุณีมีจีวรถูกชิงไปสาภิกษุณีมีจีวรสูญหายสีภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้องห้ภิกษุณีวิกลจริตหกภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่หจบ